สวัสดีครับพี่น้องครับ น, นี่คือเสียงจากสี่แยกบานนะครับในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์เราอยู่ในข้อคิดจากพระธรรมสุภาษิตครั้งที่สิบหกวันนี้เราขึ้นบทที่สามนะครับข้อหนึ่งจนถึงข้อสี่และหัวข้อเรื่องในเช้าวันนี้ก็คือความเมตตากรุณาและความจริงโปรดฟังพระชนะของพระเจ้าวุตรชายของเราเ อ, อ๋ยอย่าลืมคำสอนของเรา แต่ให้ใจของเจ้ารักษาบัญญัติของเราเพราะสิ่งเหล่านี้จะให้วันเดือนปีชีวิตยืนยาวและนวยความสุขสมบูรณ์แก่เจ้าอย่าให้ความจงรักภักดีและความซื่อสัตว์ทอดทิ้งเจ้าจงผูกมันไว้ที่คอของเจ้าจงเขียนมันไว้ที่แผ่นจารึกแห่งหัวใจของเจ้าดังนั้นเจ้าจงหาความพอใจและชื่อเสียงดีในสายพระเนตรพระเจ้าและในสายตามนุษย์พี่น้องครับ โปรดฟั ง, งครับผมจะอ่านจากเวอร์ชั่นอื่นให้ฟังสุภาษิตบทที่สามข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สี่ลูกเอ๋ยอย่าลืมคำสอนของเราแต่จงรักษาธรรมบัญชาของเราไว้ในใจของเจ้าเพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยต่ออายุของเจ้าให้ยืนยาวและนำสันติสุขกับความเจริญรุ่งเรืองมาให้เจ้า อย่าให้ความรักและความซื่อสัตว์ละจากเจ้าไปจงผูกมันไว้รอบคอจงจารึกไว้บนแผ่นดวงใจของเจ้าแล้วเจ้าจะได้รับความโปรดปรานและมีชื่อเสียงดีทั้งในสายพระเนตรพระเจ้าและในสายตามนุษย์เราเห็นนะครับว่าตั้งแต่บทที่สองนั้นเราพบว่าเสียงต่างที่ปัญญาคุณครูปัญญาหรือพระปัญญา ซึ่งหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เข้ามาในชีวิตของใครก็ตามแล้วบุคคลคนนั้นจะมีภูมิคุ้มกันต่อสิ่งภายนอกซึ่งเป็นสิ่งชั่วร้ายไม่ว่าจะเป็นวาจาที่คดเคี้ยวเลี้ยวรดวิถีชีวิตของคนที่นำความชั่วร้ายและปิติยินดีในความชั่วร้ายผู้ที่เดินอยู่ในความมืดตละจนผู้หญิงที่เป็นหญิงชั่วหญิงสันจรและ นําคนที่ไปหาเขาไปหาเธอนั้นร่มจมลงไปในความบาปอันนี้คือสิ่งที่เป็นสิ่งคุกคามจากภายนอกแต่ในบทที่สามนะครับเรากําลังเห็นถึงอะไรที่อยู่ภายในครับอะไรที่เป็นของที่อยู่ข้างในของเจ้าของผู้ที่มีคุณครูปัญญาสถิตยอยู่กับเขาคุณครูปัญญาหรือพระปัญญาของพระเจ้าสถิตหยุดเขานั้นเขาจะได้อะไรหรือเขาจะเป็นอย่างไร ในข้อที่หนึ่งนะครับได้กล่าวว่าลูกเอ๋ยหรือบุตรชายของเราเอ๋ยอย่าลืมคําสอนของเราไหลใจของเจ้ารักษาบัญญัติของเราคำว่าบัญญัตินะครับภาษากรีกเรียกว่าเป็นคําสั่งสอนแต่ในภาษาฮีบรูนั้นหมายถึงโทราโทรานั้นแปลว่าพระบัญญัตินะครับมีความหมายว่าเป็นคําสั่งสอนเช่นเดียวกันครับ และเป็นคําสั่งสอนที่สามารถแยกประเภทได้ว่าเป็นคําสั่งสอนของบุคคลที่เราเคารพนับถือนั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่บิดามารดาหรือคําสั่งสอนที่ตกทอดลงมาจากบรรพุทธอันนี้เป็นประการที่สองหรือคําสั่งสอนที่เป็นบทบัญญัติของโมเสสพี่น้องครับเนื่องจากว่าวรรณกรรมฮีบรูนั้นเขาเป็นคู่ขนานกันเพราะฉะนั้น คำว่าลูกเอ๋ยอย่าลืมคําสั่งสอนของเรานั่นหมายความว่าอย่าลืมคําสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่ในขณะเดียกันครับให้ใจของเจ้ารักษาบัญญัติของเรา<ข>นะครับก็สามารถที่แปลความหมายได้หลายประการครับอาจจะแปลความหมายว่าเป็นคำสั่งสอนที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ก, ก็ได้เป็นคําหนั่งสอนที่เกิดขึ้นจากคุณพ่อคุณแม่ที่ได้รับมานะครับในหลายๆทางหรือแม้กระทั่งตีความว่าเป็นคํำสั่งสอนที่มาจากโมเสสอย่างไรก็ตาม เราเห็นว่าคำสั่งสอนเหล่านี้ครับไม่ว่าจะมาจากแหล่งไหนก็ตามแต่เป็นความคำสั่งสอนที่ถูกต้องชอบทำแล้วสิ่งเหล่านี้จะรักษาชีวิตของคนที่มีพระปัญญาหรือคนที่มีคำสั่งสอนเหล่านี้เข้าไปอยู่ในหัวใจในชีวิตของเขานั้นรักษาชีวิตของเขานั้นให้ยืนยาวครับแล่ำ่วยความสุขสมบูรณ์คำว่าความสุขสมบูรณ์นะครับก็คือ p r o s p e r หรือ prosperity ก็คือ เป็นชีวิตที่มีความสุขความมั่นคงมั่นมั่งข้างปลอดภัยพี่น้องครับพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ทำให้เรารู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนคนหนึ่งนั้นได้ยอมมอบถวายชีวิตให้กับพระเจ้าเขาจะมีพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ที่เป็นผู้ที่อยู่ในตัวของเขาประทานสติปัญญาให้กับเขาประทานความรู้ความสามารถให้กับเขาประทานสิ่งที่เรียกว่า เป็นคำสั่งสอนที่สอนให้เขาเดินอยู่ในทางของพระเจ้าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าห้ามลืมครับและให้ใจของเรานั้นรักษาหมายความว่าเก็บไว้อย่างดีและทำตามท่องพูดบ่อยๆเกี่ยวกับพระคำนี้พูดบ่อยๆเกี่ยวกับคำสั่งสอนนี้ คิดถึงคําสั่งสอนนี้เสมอนั่นหมายความว่าเราจะต้องคิดถึงพระวจนะของพระเจ้าคิดถึงพระบัญญัติของพระเจ้าคิดถึงคําเตือนสติต่างๆให้พระวจนะของพระเจ้านั้นหรือคําสั่งสอนนั้นได้วนเวียนอยู่ในชีวิตของเราอย่าละจากคําสั่งสอนเหล่านั้นอันนี้คือในข้อที่หนึ่งและข้อที่สองครับในที่สุดแล้วคนที่รักษาพระบัญญัติของพระเจ้าคนที่ฟังคําสั่งสอนของพระเจ้า คนที่ให้ใจของเขารักษาบัญญัติของพระเจ้าเขาจะมีวันเดือนปีชีวิตที่ยืนยาวครับสิ่งเหล่านี้จะช่วยต่ออายุของเจ้าให้ยืนยาวนั่นหมายความว่าเรานั้นมีกำหนดชีวิตของเราแต่ละคนและถ้าเรามีความรักของพระเจ้าอยู่ในตัวของเรามีพระปัญญาของพระเจ้ามีคำสอนของพระเจ้าอยู่ในตัวเรานั้นเราจะต่ออายุได้ครับ อันนี้คือสิ่งที่เป็นเคล็ดลับในการที่เราจะต่ออายุของเราให้ให้ยืดยาวออกไปได้อย่างไรครับต่อด้วยพระเจนะของพระเจ้าต่อด้วยพระบัญญัติของพระเจ้าต่อด้วยคําสั่งสอนที่มาจากองค์พระิญญาณเจ้าซึ่งเกิดจากพระปัญญาหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของเราข้อต่อไปครับเราจะมาดูครับว่าพึพ่งพีพูดอย่างไรบ้าง พ, พึ่งพีกล่าวว่าอยาให้ความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ทอดเพ่งเจ้าจงผูกมันไม่ที่คอของเจ้า จงเขียนมันมไว้ที่แผ่นจารึกแห่งหัวใจของเจ้าดังนั้นเจ้าจงแสวงหาความพอใจและชื่อเสียงดีในสายพระเนตรพระเจ้าและในสายตาของมนุษย์เท่ากับไปดูภาษาฮีบรูนะครับเราจะพบว่าคำว่าจงรักภักดีและความชื่อสัตว์นั้นก็แปลความหมายเป็นภาษาอังกฤษว่าเป็นเมอร์ซี่เมอร์ซี่แปลว่าความกรุณาครับแลวก็ทรูธก็คือว่าความจริง เราจะดูกันนะครับว่าความเมตตากรุณาและความจริงนั้นคืออะไรและมาจากไหนอย่าลืมนะครับว่าการที่เราเป็นกิสเตียนนั้นเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าสัมพันธภาพนี้มีความหมายที่สุดครับและเป็นเหตุที่เราทั้งหลายทุกคนนั้นรับความรักจากพระเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระองค์เราเจะเห็นว่าในบทที่สามนี้ ได้พูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับมนุษย์เป็นสิ่งเดียวที่ทําให้พวกเขานั้นมีความสุขได้อย่างแท้จริงชีวิตของเขานนั้นจะได้รับพรชีวิตของเขานนั้นจะได้รับการต่ออายุให้อายุยืนชีวิตของเขานนั้นจะเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความมั่นคงมั่งคั่งปลอดภัยนี่คือโพสต์บิลิตหลายครั้งทีเดียวเมื่อเราพูดถึงโพสต์บิลิตี้ก๊อสเปนั้นพี่น้องครับโพสต์บิลิตี้ก๊อสเ หรือพระกิจคุณแห่งความมั่งคั่งมั่นคงปลอดภัยนั้นแท้จริงแล้วก็คือการที่คนคนนั้นได้มีพระปัญญาอยู่ในชีวิตของเขาครับเมื่อมีพระปัญญาอยู่ในชีวิตของเขาเขาจะเป็นคนที่มั่นค ง, งมั่งคั่งและปลอดภยัยผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเมื่อเรามีความสัมพันธ์หรือสัมพันธภาพของเรากับพระเจ้าพระวิญญาณจะเข้ามาในชีวิตของเรา แต่เมื่อพระวิ ญ, ญญาณเข้ามาในชีวิตของเรานั้นพรงจะทรงประทานสติปัญญาพระองจะทรงประทานผลของพระวิญญาณบาริสุทธิ์และ t t of of oh พระงทรงประทานของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตของเรายิ่งไปกว่านั้นครับทําให้ชีวิตของเรานั้นอยู่ในทางของพระเจ้าและเกิดสันติสุขที่มาจากพระเจ้าเกิดพอสเปอริตีที่มาจากพระองค์อย่าลืมนะครับว่าสิ่งต่างที่เกิดขึ้นในใจนั้นก็จะแสดงออกได้ภายนอกมีอะไรอยู่ใน ใ, นใจนะครับ ไม่ว่าจะเป็นความดีความชั่วมันก็จะแสดงออกมาไม่ช้าก็เร็วพี่น้องครับพรมพีพกล่าวต่อไปว่าอย่าให้ความจงรักภักดีและความซื่อสัตว์ทอดทิ้งเจ้าให้ผูกไว้ที่คอให้เขียนไว้ที่แผ่นจารึกแล้วกลับมาดูนะครับว่าคําว่าเมอร์ซี่นั้นคืออะไรเมอร์ซี่นั้นแปลว่าพระกรุณาครับในพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าถ้าใครก็ตามที่มีใจกรุณาเขาจะได้รับพระกรุณาตอบนะครับ อันนี้อยู่แม่ธรรมมัดทิวบทที่ห้าข้อที่เจ็ดมัดทิวบทที่ห้าข้อที่เจ็ดคำว่า truth หรือความจริงนั่นคืออะไร truth นะครับหรือความจริงนั้นทำให้คนที่จะปรากฏออกมาชัดเจนครับหลายครั้งทีเดียวเราไม่เข้าใจเรื่องราวต่างๆในโลกนี้เพราะว่าเราไม่รู้ความจริงแต่ถ้าเรารู้ความจริงนะครับความจริงจะทำให้เราทั้งหลายเป็นไทยนั่นหมายความว่า คนที่ยึดมั่นในความจริงนะครับเขาก็จะสําแดงตัวอยู่ในความจริงและมีชีวิตยอยู่กับความจริงและคนคนนั้นเป็น a man of truth ก็คือเป็นมนุษย์ที่ดํารงอยู่ในความเป็นจริงเป็นมนุษย์แห่งความเป็นจริงพี่นไหมครับนี่คือเกียรติสูงสุดที่คนเราจะมีเพราะเนื่องจากอะไรครับเพราะว่าคนคนนี้จะเป็นมนุษย์แห่งความจริงนะครับถามเขาเขาจะบอกความจริงนะครับ สิ่งที่เขาพูดจะเป็นความจริงเขาดำรงชีวิตอยู่ในความจริงและคนที่มีความจริงเท่านั้นเป็นคนที่มีอิสระสูงสุดครับเพราะว่าความจริงจะทำให้เราเราทั้งหลายเป็นไทยเพียงครับพระเยซูเป็นผู้เดียวที่พระองค์กล้าที่จะพูดว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริง I am the truth เป็นความจริงนั้นนะครับที่เป็นความจริงสมบูรณ์แบบที่สุดเป็นความจริงที่สมบูรณ์ absolute truth ไม่มีความจริงอื่น นะครับเหนือพระเยซูไปแล้วพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะฝากให้แบบพวกเรานะครับอย่าให้ความจริงนะครับทอดทิ้งเราหรือเราออกจากความจริงอย่าให้เมอร์ซี่ก็คือพระกรุณานะครับละทิ้งเราพูดไว้ที่คอครับเขียนไว้ที่แผ่นจารึกแห่งหวัวใจอาเมน